เริ่มตั้งแต่ภิกขุภิกษุปัญจวัคคีทั้งห้าที่ปาอิสิปตนะมรรคเทวันแขวงเมืองพารณาสีในเรื่องธรรมจกรักรปวานสูตรเป็นต้นมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะประนิพ่านก็ได้ตรัดไว้เป็นปชิมวาวจาคือพระวจาครั้งสุดท้ายว่าอามัญตยามิวออีอามัตยามิวโภพิกขเววยธรมมาสังขารา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 มีหน้นาที่สำหรับปราบกิเลสกลางได้แก่นิอ่อนทั้งห้าโดยสภาโรยคำภีก็มีอยู่ทั้งห้าคำผีทีมะสังอังคุทีคณิกายนิกายอ ย, ยากมัตฉมริกายนิกายกลางกงทีมะสังสังยุงงตตินิกายอังอังคุตรนิกายนิกาิกาย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 ทนอาคมยุติยุติกันด้วยอาคมอาคมคือปริยัติแปลว่าเราเรียนรู้คือพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนี่ปริยัติเลยที่เนี้ยเมื่อกี้นสภาวะปฏิบัติเช่นพระองค์สอนไว้ว่ากายเยกายกรฉันจะพิกเวพิกขขกายเยกายานุปัสสีวิหารติเฮขึส่วซเห็นกายในกายมันเห็นยังไง อันนี้พระองค์ก็ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งหมดเลยอิทธิภิกเวภิกขะอรญยกระต ว, วารุกขมูลกระตววโลก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพัะมรยายนี้ไปสู่ป่ากดตามสู่บ้าสู่คนไม้ก็ดตามสู่ที่ว่างปล่ากดตามนีน่นี่สีตติปลังกลงอาภุชิตวานั่งคูบ่บัลลังกาอุชงกายยังเปเนทะยะตั่งกายให้ตรอง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 บุคคลนั้นสตวะเป็นผู้มีสติเที่ยวอัด ส, สติหายใจเข้าสตวะเป็นผู้มีสติปัด ส, สติหายใจออกนี่แหละพองอยู่ตรงนี้ยุบอยู่ตรงนี้ อ, สสอัด ส, สตหดยยนนดิหายใจเข้านี่พองปัดสติหายใจออกนี่ยุบชัดเลยยังในขนาดเนี้ยหายใจเข้ามันก็ท้องก็ น, นูนหายใจออกท้องก็แฟบแล้วก็ว่าพองว่ายุบถึงเราจะวัดเข้ามันก็คือพองยุบ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 พามาเขาก็ว่ า, าวเผาแดดปินแดเผาแดดปิ้นแดอฮะคำว่ า, าวเผาแดดปินแดเผาแดดปินแดถ้าไม่ถูกองซ้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหรืแขกว่าใครกระมงกระจุกระมุงกระจุไงถ้าหากว่าไม่ถูกองซ้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วขมิ้นเขาว่าเฮเวนเซงเก้นเฮเวนเซิงเก้น่ะ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 สามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอานหนึ่งพระศาสนาทรงเทศนาไว้ในสติปัฏฐานพระบาลีวิทยถายถาวปาปนัสสกาโยปนิโตโหตุถาตถานัมปะชานณติร่างกายของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในอาการใดๆก็ตามตั้งสติกำห ร, รู้อาการนั้นๆในทิณอัตตะถาจานเจ้ยายถายถาว่าปนัสสะเป็นต้นบาลีนี้เป็นสัพพสังคาริกเกวจานะ คือผือเอาทั้งหมดหมายคำว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินี้อาการเดินอยู่ก็ตั้งสติกำนดว่าสายอย่างหนาะข่ยอย่างหนออาการยืนอยู่ก็กำนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็ตั้งสติกำนดว่ายืนหนอนั่งหนอนอนเนอะถ้าหากกำลังกำนดเดินอยู่ก็ดีกำลังยืนอยู่ก็ดีกำลังนั่งอยู่ก็ดีกำลังนอนอยู่ก็ดีตามร่างกายนั้นมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นก็ตั้งสติกำนด เป็นตั ว, วยืนดูกับคเนเราไปยืนเน้ะตัวอืนอืนนะ้อก้มนะ้อเงยนะ้อตัวสั่นนะ้อคู่นะ้อเ ย, นนะย็ดน้อยืนยืนยืนนะ้อร้อนเนะ้อปวดท้องนะ้อท้องแนะ่นเน้อนะถ้าท้องพองขึ้นก็พองน้อยุบลงก็ยุบน้อเป็นต้นอาการเล็กเล็ ก, ลกนนะ้อยก็ต้องกำหนดด้วยเพราะอาการเล็กเล็กน้อย เ, เหล่านั้นถ้าไม่ได้กำหนดก็จะเข้าใจผิดยึดถือเป็นจินนิจจะคือเที่ยงสุ ข, ขะเป็นสุขอัตตะเป็นตัวเป็นกลาง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 ราูปอันนี้มันเกิดเพราะลมกระทบในขณะนั้นตั้งสติกาหนดว่าพองหนอยุบหนอดังนั้นท่านอัคมหาบัณฑิตโสภณเถระจะแดงในวิวสุทธิานกถาว่าอัธวาป น, านิสินนัสโยคิโนอุทเรอัศ า, ราศาสัพพสาสัปัะเจประวัตตังวายโยพุทธปรูปังอุณ น, นมณโอ น, นมณะมนาการนะี น, นะอุณนมณะ โอนมะนาการีนะนีรันรังพอปากตะทังโหติตัมปีอุปนิสายอุณณมติโอนมติอุณนมติโอณม ต, ม ต, มติที่อานาอาทนาสันลเ์เขตพังนักปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอศาศาสะคือลมเข้าปัะสาสะคือลมออกวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 ที่มีอยู่ในวิปัสนาภาวนาอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจและสงสัยไม่แพ้เรื่องพองยุบที่ได้กล่าวมาแล้วที่ว่าหนอหนอนั้นมีคาอธิบายที่ควรทราบดังต่อไปนี้การเจริญวิปัฒนากรรมฐานกับการเจริญสมถากรรมฐานนั้นแม้ต่างก็ต้องใช้สมาธิในการปฏิบัติแต่การใช้สมาธิก็ต่างกันอยู่มกคือการเจริญสมถากรมฐานนั้น ใช้อุปจารสมาธิเรื่อยไปจนถึงอัปปนาสมาธิที่เมื่อเจริญปฐวีกสินคือเอาดินเป็นอารมณ์ก็พาณนาว่าปฐวีปฐวีหรือดินดินอยู่อย่างเดียวเมื่อพานานา น, านานเขาก็เกิดอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ยังไม่มั่นคงแข็งแรงเมื่อเจริญต่อไปสมาธิจะมั่นคงถทาวรยิ่งขึ้นจนเป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แน่วแน่แน่แ น, นมั่นคง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 เทระไปเจริญกรรมฐานท่านจะต้องใช้อนิจจาปตาสังขาร ส, สังขันทั้งหลายไม่เทียงโนทุกวันนี้พระสงค์องค์เจ้าไปชักบางสุกุลตามวัดต่างๆที่มีวัดมีโรงอุตสาหากรรมหนักคือมีโรงงานเผาศพเห็นวัดมากุดวัดโสมานัดวัดตีตัสเทพวัดหัวำลำโพงอะไรนี่ก็จะต้องพระจะต้องจับพาอนิจจวปตสังขาราเออเมื่อเช้าเนี่ยธรมาก็ไปเอามาพื้นหนึงง่งเหมือนกันไง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 ของน้อยยุบหนอเนี่ยตมานี่เป็นคนปฏิบัติมาครั้งครั้งแรกในเมืองไทยนี่แหละที่ว่าที่มาเริ่มนะตมาปฏิบัติอยูกิจเตือนสิกะวันใช้หนอทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ไปดูการศึกษาในแดนทวีประเทศพมา่าอีกก็ใช้หนอแต่พมา่าเขาว่าเผาแดเปินดแดดเสร็จแล้วตมาเขามาเริ่มสอนสอนวันแรกที่บสตรมหาธาตุพศสองพันสี่รอยเก้าสิบหกมีโยมมาเก้าคนเท่านั้น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 อุติกรรมฐานก็ขึ้ น, นเหมือนแถววัดเมืองบางเชียงใหม่กัเหมือนกันเพราะอานุภาพหนอทั้งนั้นดังนั้นอนุภาพพระธรรมของพระพุทธเจา้าคือการเจริญวิปัสนาโดยใช้หนอ น, น, นี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกไม่ใช่น้อยเพราะพระพุทธเจ้าทัานใช้เป็นองค์แรกอัญญาสิวตโพโคนดัญโยโคดัญยะได้รู้แหละหนอคนดัญยะได้รู้แหละหนอนี้แหละของสมเด็จพ่อ